235กรรมจึงยิ่งใหญ่บรรดาลตนเองให้ตนเองเกิดต่อกรรมพันธ์หรือพันธุ ก, กรรม h ฮ r ร d ิต y จึงเป็นพัน์ที่เอากรรมดีดเป็นจุดสำคัญถ่ายทอดการทางกรรมอันหมายเอาจิตวิญญาณเป็นตัวเกิดตัวเป็นเรียกว่ากรรมโมยนี คือภาวะที่เกิดนั้นเป็นภาวะที่เชื่อมโยงกันต่อทอดกันหรือถ่ายทอดกันมาจากกรรมสู่กรรมโดยแท้เป็นต้นว่าใครทากรรมชั่วนี้ก็เกิดผลชั่วตามที่ทํานั้นเป็นผลกรรมวิบากของตนต่อทอดสืบไปในกินิยามแห่งตน ผลชั่วนี้ก็ผนึกรวมกับผลกรรมเก่าที่ตนมีอยู่แล้วซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมมัสกตาคือกรรมนี้ก็เป็นของของตนการกระทําของตนย่อมเป็นของตนเป็นเชื้อเผ่าพันของตนคือกรรมะพันทุ แล้วจึงเป็นตัวนำพาตนให้ตนเกิดตนเป็นคือกรรมโยนี้และตนต้องรับมร ด, ดกกรรมที่ตนทมของตนคือกรรมทายาทซึ่งมันเป็นเรื่องของวิญญาณแท้ๆที่เป็นตัวเกิดตัวเป็นวิญญาณหรือจิตหรือมโนเป็นตัวประทาน ตัวที่มาก่อนใดอื่นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังคขามารมมามโนเศษฐามโนมยาล้วนแล้วแต่เป็นนามธรรมของตัวเองถ่ายทอดสู่นามธรรมตัวเองทั้งสิ้นที่เป็นตัวเกิดต่อเชื่อมโยงกันไป บันดาลตนเองให้เป็นไปตามกรรมที่ตนทำ